พูดเร่อไงชัดเจนไหมเป็นไงชัดเจนค่ะหลวงตาแั้ก็ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะตั้งแต่พาดทาดขันจนสิ้นไปจะเอาตรงนี้ไปบันทึกไว้เป็นของหลวงตาเป็นคำสอนที่ถือว่าสมบูรณ์ที่ได้ฟังมนะาของหลุงตา หนูว่าหนูฟังในซีดีก็มาเยอะนะแล้วหนูก็ไปพลิกในจบที่ใจแล้วค่ะหนูว่าก็ยังไม่ไม่คใ้หลตาขอหลวงตาถ่ายทอดนะแม้นหนูจะแบบเป็นรู้สึกธิที่ไม่ค่อยได้เ่าไหลได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ยังอยากได้ทำที่หลวงตาถ่ายทอดจากใจแบบนี้ เอาไว้เป็นบุญที่ได้รับฟังค่งหลวงตาใช่ตาตัอือือใจที่หยุดปรุงแต่งไง น, นะหยุดดิ้นลนหยุดสแสวงหาหยุดคนควายัดอยากถึงอยากได้อยากเป็นหยุดอยากบรรลุหยุดอยากให้ถึงซึ่งพระนิพพานหยุดอยากบรรลุธรรมหยุดอยากรู้แจ้งหยุด อยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากจะให้มันเป็นอยากจะให้มันลุอยากจะให้มันถึงอันนี้มันก็เท่ากับว่าเราหาไกลออกไปนอกตัวออกไปเรื่อยนอกใจออกไปเรื่อยห่างไกลออกไปเรื่อยเพราะใจมันเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่อาจดิ้นรนไม่อาจคิดไม่อาจนึกไม่อาจตึกไม่อาจต่อไม่อาจปรุงแต่งไม่อาจดิ้นรนอะไรได้ใจไม่อาจจะเคลื่อนที่ไปถึงอะไรได้ พอใจเป็นของไม่มีตัวตนไม่อาจเคลื่อนที่ได้ไม่อาจแสดงกิริยาการได้เราจะพบใจได้วิธีเดียวคือต้องสิ้นสังขารสิ้นหลงปรุงแต่งสิ้นหลงยึดถือสังขารปล่อยวางสังขารเราจึงจะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งเราไม่อาจเอาความปรุงแต่งไปพบใจได้ นี่คือสำคัญที่สุดเราไม่อาจาเอาสังขารปรุงแต่งไปพบใจได้ไปหาใจพบแต่หลายคนมาปฏิบัติพยายามจะเอาสังขารที่ปรุงแต่งได้เอาความคิดความนึกความตึกความตองความดิ้นรนได้ความค้นหาเหตุผลได้หาถูกหาผิดหาเหตุหาผลหาความเข้าใจได้เอาสังขารปรุงแต่งที่ประมวลผลได้วิเคราะห์วิจารวิจัยได้พยายามจะเอาความปรุงแต่งทั้งหมด ไปให้ถึงใจได้ไปให้ถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งเขาใช้ความพยายามนานกี่กับกี่ชาติเขาไม่อาจจะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งได้เลยถ้าเขายังใช้ความปรุงแต่งเพราะปรุงแต่งอย่างไหนก็ไม่อาจจะไปพบความไม่ปรุงแต่งได้ถ้าสามารถปรุงแต่งเนี้ยไปพบนิพพานไดง ไปพบใจที่ไม่ปรุงแต่งได้แล้วเนี่ยนักวิชาศาสตร์เนี่ยนักวิชาศาสตร์นักปัจญญานักจิตคนนักค้นคว้าเนี่ยเก่งกว่าเราเยอะเขาดิ้นหล่นเขาคนขา้นคว้าเขาค้นหาเนี่ยเขาค้นหาเก่งกว่าเราเยอะนักวิยาศาสตร์นักปัจจญานักค้นคว้าเนี่ยนักจิตวิทยาต่า ง, างๆเนี่ยเขาค้นหาเก่งกว่าเราอีกไม่งั้นพวกนี้ยคนไปจนพบอนิพพานหมดแล้ว เขาไม่สามารถค้นพบไปจนถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งมีแต่ผู้ท้าองเท่านั้นแหละที่มาค้นพบแล้วบอกสอนพวกเราทั้งหลายจนบรรลุอรหันต์ว่าการจะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีตัวใจมีวิธีเดียวเท่านั้นมีวิธีเดียวเท่านั้นคือต้องสิ้นสังขารสิ้นความปรุงแต่ง หรือสิ้นความยึดมั่นถือมั่นความปรุงแต่งทั้งหมดหรือสิน้นยึดมั่นถือมั่นสังขารเสียทั้งหมดไม่หลงสังขารไม่หลงเอาสังขารเป็นเราไม่หลงเอาตัวเราไปเป็นเป็นสังขารสิ้นหลงเรียกว่าสิ้นหลงสังขารคือไม่ห да ลงเอาสังขารที่เป็นปรุงแต่งได้มาเป็นเราไม่หลงเอาตัวเราไปเป็นสังขารปรุงแต่งไปคิดไปนึกไปตึกไปตองไปดิ้นรนไปค้นหาไปพยายาม ไปหาหาเหตุหาผลหาถูกหาผิดหาความเข้าใจไปวิเคราะห์วิจารณวิจัยไปไข่ควรไปคิดไปนึกไปตึกไปตองไปประมวลผลล้วแต่เป็นความปรุงแต่งที่ทั้งหมดยิ่งปรุงแต่งเท่าไหร่ยิ่งห่างไกลใจที่ไม่ปรุงแต่งมากขึ้นเท่านั้นยิ่งปรุงแต่งน้อยลงไปเท่าไหร่ จนกระทั่งเกือบจะไม่ปรุงแต่งเลยมันจึงเข้าใกล้ใจที่ไม่ปรุงแต่งไปเท่านั้นจนกระทั่งความปรุงแต่งมันน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปที่เราเรียกว่าใจเริ่มสงบจากความปรุงแต่งมากขึ้นไปเรื่อยๆใจเริ่มสงบจากความปรุงแต่งมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆจนแทบจะปรุงแต่งความปรุงแต่งในใจน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีมันเริ่มดูแล้วว่า ใกล้จะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วเพราะเหตุที่สิ้นความหลงปรุงแต่งนี้เองมันเริ่มรู้แก่ใจแล้วขนาดจะไม่พบเลยนะเริ่มรู้แก่ใจแล้วว่ามันใกล้จะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วเหมือนคนเดินทางเนี่ยที่รู้ว่ามันจะถึงที่สุดแล้วถึงยอดเขาแล้วจะถึงจุดหายปลายทางแล้วใกล้แล้วใกล้เต็มทีแล้ว จึงรู้ว่าอ๋อความที่เพราะความหลงปรุงแต่งน้อยหลงเท่าไหร่ความหลงปรุงแต่งยึดถืออะไรติ่งต่างๆหลงปรุงแต่งดิ้นรนค้นวควาไขหาอยากถึงอยากรู้อยากเห็นอยากได้จะเป็นมันน้อยลงไปเท่าไหร่น้อยลงไปเท่าไหร่เท่าไหร่มันยื่งเข้าใกล้ใจที่ไม่ปรุงแต่งจนที่สุดเนี่ยความที่หลงปรุงแต่งดับไปจึงพบใจที่ไม่ตรงแต่ง ไม่อาจปรุงแต่งได้เรียกว่าวิสังขารหรืออสังขตธาตุที่ไม่ไม่มีอะไรปรุงแต่งมันได้และตัวมันก็ไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่อาจคิดไม่อาจนึกไม่อาจติดต่อไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่อาจเกิดดับได้ไม่มีกิจการเกิดดับจึงมีคำกล่าวว่าผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพรานนิพพานไม่มีวิธีใดเลยนอกจากนี้ ต้องปล่อยวางสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหมดและไม่มีใครช่วยใครได้ตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพียงแต่เป็นผู้ชี้ผู้แนะแต่ผู้ปล่อยวางเป็นหน้าที่ขอ ง, องท่านจึงมีทีตวงตาแต่ไปดีเป็นของพุทธเจ้า ที่ว่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกผู้ชี้ผู้แนะนส่วนผู้เดินทางต้องเป็นหน้าที่ของพวกทา่านคือปฏิบัติตามอริยมมีองค์แปดฟังฟังแล้วติดใจอย่อีกอย่างว่าอีกอย่างค่ะว่าสภาวะนิพพานหนะางตาสภาวะนิพพานนะที่แบบถ้าถ้าเทียบกับของหนูนะคะหนูคิดว่าตอนนี้เมื่อตอนขับรถมาก็คุยกับท่านเอว่า มีครั้งหนึ่งที่หนูมากราบหลวงตาแล้วหลวงตาบอกหนูว่าไม่ให้หนูให้หนูหยุดเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับปริญญาต่างๆแล้วให้มาปฏิบัติเพื่อให้พ้นถูกกล่องคำหนึ่งที่หลวงตาบอกหนูก็คือประตูพนิพานปิดง่ายมากเพราะฉะนั้นต้องให้พ้นถุกกล่อง หนูก็มาพิจรารณาว่าประตูพันิพานนี่คืออะไรแต่หนูว่าตอนเนี้หนูคิดว่าหนูรู้แล้วครับว่าประตูพันิพานี่อยู่ตรงไหนเมื่อหนูมาถึงตรงนี้หนูจึงขออนุญาตเรียนถามหลวงตาให้ขยายความต่อค่ะว่าเมื่อถึงประตูแล้วต่อจากประตูนั้นไปค่ะ ตอนนี้หนูคิดว่าหนูเห็นแค่วาดโได้ไหมคะของตาหรือว่าเราจะต้องปฏิบัติไปจนถึงตรงนั้นเราก็เป็นปัจจตังที่รู้ด้วยตัวเองของแต่ละคนไปตามบุญวาสนาหรือว่าจากประตูตรงนั้นไปแล้วเนี่ยสำหรับหนูขออนุ ญ, ญาตนะคะจริงๆหนูหนูทราบว่าหนูถามแบบถามถามแบบว่า ทั้งหมดเลยค่ะแทบจะบอกว่าไปหมดเลยค่ะหลวงตาแต่ว่าหนูแค่ขอถามขอแค่ถามค่ะหลวงตาจะตอบหรือไม่ตอบก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วหนูถ้าเกิดว่าหนูถามสิ่งที่หนูถามผิดพลาดยังไงหนูก็ขอขมาหลวงตาด้วยค่ะหยุดความปรารถนาสนิทหยุดความปรารถนาใดๆในใจสนิทจริงๆ สิ้นความยากสิ้นความปรารถนาจริงๆสิ้นความปรารถนาสิ้นความอยากในโลกสิ้นความอยากสิ้นความปรารถนาในธรรมแม้แต่ความอยากที่จะพ้นทุกอยากที่จะบิรลภานอยากที่จะพบความสุขทุกไม่มีก็ต้องดับความปรารถนานั้นในปัจจุบัน เสียให้สิ้นเมื่อไรที่หยุดหรือดับหรือสิ้นความปรารถนาหรือหยุดอยากยนั้นแหละทางโรคทางธรรมนั่นแน่จึงจะเป็นปัจจัยต่างนิจฉาโตปรินิพุตโตดับความปรารถนาเตือนนิตไม่มีส่วนเหลือที่พระเจ้าลำพึงขึ้นในตอนเช้าตน่าตนตรัสรู้ว่าเพราะ ความปรารถนาะความสุขหมดไปความทุกข์จึงหมดไปพร้อมพระนิพพานก็รปรากฏขึ้นแก่ใจของพระองค์ตัสรูปเป็น ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยนี้ว่าไงนะพูดเมื่อกี้นไงพูดว่าไงนะหนูคิดว่าคำคาตอบนี้คนะ่ะจะเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติทุกคนเอาไปใช้ได้ถุกค่ะ เหตุที่เป็นอุปสรรคที่ลุงตาเห็นพบเห็นได้ใจก็คือว่าเดิมเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีความปรารถนาความอยากได้ในทางโลกอยากเอาอยากถึงอยากได้อยากเป็นในทางโลกโลกตั้งแต่เราเกิดมาพอเราเกิดมาพอเราโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็อยากได้ผัวอยากได้เมีย อยากได้ผัวอยากได้เมียแล้วก็อยากได้ลูกอยากได้หลานแล้วก็อยากได้ตําแหน่งลาภยศอยากได้งานได้การอยากได้ตำแหน่งลาภยศเพื่อแดกได้เงินทองครอบสินอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้อะไรเพิ่มเพิ่มพพิมากขึ้นในทางโลกนั่นคือความอยากความปรารถนาจะมีตลอดเวลาของมนุษย์ทั้งหลายของสัตว์ปทั้งหลายอย่างเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ พอใกลยเข้ามาหน่อยใกล้ตัวเข้ามาหน่อยคืออยากให้มีสุขภาพดีอยากให้มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่อยากให้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เข้ามาถึงจิตใจที่เรียดเข้ามาอีกคืออยากให้จิตใจสงบใจโปร่งใจโล่งใจเบาใจสบายใจนิ่งใจสงบใจว่างอยากเข้ามาอีกอยากละเรียดเข้ามาอีกแล้วก็อยากลเรียกเข้ามาอีกที่ลึกกข้ามาอีกก็คือมีความอยากความปรารถนา อยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากบรรลุพรนิพพานอยากได้ความสุขที่ทุกข์ไม่มีอยากได้ความสงบอยากได้ความว่างที่เป็นความว่างจากปรุงแต่งความสงบจากความปรุงแต่งคือพระนิพพานนั่นเองนั่นเนี่ยเป็นความอยากความปรารถนาที่ตั้งแต่หยาบจนมาถึงลเอียดสูงสุดสุดท้ายผู้ที่วางความอยากได้ทั้งหมดวางความปรารถนาได้ทั้งหมดนั่นแหละ ผูนั้นเนี่ยถึงจะคนจับทุกทั้งปวงได้จริงๆตอนนี้ระหว่างปฏิบัติไปทอยุงตาสังเกตเห็นเนี่ยแม้แต่ผู้ที่ไม่ปรารถนาใดๆทางโลกแล้วหันมาบวชหันมาพอพุทธปฏิบัติธรรมก็จริงแม้แต่ผู้ที่ทางโลกาใจก็ไม่ปรารถนาไม่อย่าไม่มีความอยากความปรารถนาวุ่นวายในทางโลกแล้วเนี่ยก็มีแต่หน้าที่การงานที่ทําไปตามปกติ แล้วแม้แต่เป็นคารวะหรือพาี่หานมาปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์แล้วกันจริงแต่พอมีความรู้เห็นอะไรแปลกๆไมใหม่ๆก็จะมีความอยากแอบแฝงเข้ามาทันทีเช่นอยากรู้อยากเห็นอยากได้อภิญญาอภิญญาทางจิตลิทธทางใจมีความอยากเข้ามาเสี้ยววนาทีที่เกิดความอยากเข้ามาในใจมีความปั่นหนาสิ่งใดเข้ามาในใจแล้วหลงไปตามนั้นปุ๊บ มนมาปิดกั้นเลยที่บอกว่ามาปิดกั้นประตูพนิพาดเลยเพราะความอยากความปรารถนาหรือเป็นกิเลสตัณหานั่นเองอ่ะปิดกั้นประตูพนิพาดเดี๋ยวนั้นเลยสติปัญญาที่รู้แจ้งกำลังแทงทะลุแทงทะลุแทงทะลุด้วยความปล่อยวางปล่อยวางแทงทะลุสังขารทั้งมวลไม่เข้าไปยึดบ้านถือบ้านปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางเสี่ยวนาทีที่ไม่รู้ต่อสารจิตใจตัวเองหลงไปตามความอยากแม้แต่แม่ยากในทางโลกแล้วมาปฏิบัติธรรมแล้วอยากพอมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจมีฌาน อยากได้ฌานอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากได้อิทธิฤทธิต่างๆตาที่ผูทิพย์รั่วดีรั่วนาคและลึกชาติได้แรงอิทธิฤทธิต่างๆได้อยากได้พลังจิตที่บริสุทธพลังธรรมชาติในอุสุทธจักรวาลอยากได้ฤทธิ์อยากได้เดชอยากได้อะไรเพิ่มๆมากขึ้นเรื่อยๆตัวนี้อยากได้แสงสว่างอยากได้จิตสงบอยากได้ใจที่ว่างเสี้ยวในทีเดียวที่ไม่รู้ตทันจิตใจของตนเองหลงเข้าไปไปมีความอยากใครนั้นเนีะย ประตูพันิพยานก็ปิดเสียสนิทเลยเราต้องมีสติปัญญาเห็นมันทันทีในตอนนั้นแล้วก็ดับความอยากความปรารถนานั่นเสียในขณะนั้นด้วยนะดับความอยากหรือว่าจะมาลุตต่อทานตอนหลังก็ต้องถอนความปรารถนาความอยากอ น, นั้นเสียไม่เอาเลยเลยในใจไม่ปรารถนาไม่มีความอยากอะไรได้เลยดับความอยากความปรารถนาเสียสนิทไม่มีส่วนเหลือนิชชาโตปะริณิพุโตเนี่ ดับความอยากความปรารถนาสนิทไม่มีส่วนเหลือนี่พระนิพพานจึงเข้ามาสวมตรงนี้สำคัญมากละเอียดมากสำหรับผู้ที่ไม่รู้เตาทานใจตนเองมันจะมีความอยากแอบแฝงซ้อนไประยะระยะแล้วจะปิดกั้นการบรรลุพระนิพพานเตี่ยสนิทกับนักการงานก็ตรงส่วนนี้ก็กระจ่างแล้วก็ อย่างที่พระอาจารย์กลับเรียนก็คือว่าผู้ที่ติดในพิญญาอยากได้อยากเห็นสิ่งที่เป็นวิชาต่างๆเหล่ า, านี้ก็คือเ อ, อผมประจักษ์แล้วฮะว่าคือสิ่งเหล่านี้เดิมทีบางคนพิจารณาจนละเอียดแล้วจนเห็นใจแล้วแต่เมื่อไปหลงตรงนี้ปับ๊บสมาธิที่เขาตั้งมั่นมาเนี่ยมันเหมือนล่วงลงไปเลยแล้วก็ทําให้เหมือนกับเมื่อสมาธิไม่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยจากเดินที่เขาเห็นผู้รู้ได้ มันก็จะคายทำให้เขาต้องมาเริ่มต้นทําสมาธิใหม่หรือเริ่มต้นหาผู้รู้ใหม่อันนี้ทําให้เนิ่นช้าไปอย่างที่หลวงตากล่าวทีนี้สิ่งที่ผมยังสงสัยอยู่ก็คือว่าเอที่หลวงตาพูดทิ้งไว้ว่าผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมนะครับแล้วก็อยากให้พระอาจารย์ขยายความถึงว่าผู้ใดถึงธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงธรรมแล้วก็ซึ่งผมว่ามันเป็นอันพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นปฏิภาณปฏิภานครับแล้วก็ ซึ่งอันนี้ก็จะมาต่อยอดตรงสุดที่ว่าออถ้าพบใจแล้วเนี่ยเขาทิ้งอดีตและปัจจุและอนาคตได้แล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วตรงที่ว่าละปัจจุบันนะครับเป็นยังไงอ่ะครับกระอาจารยพบใจถ้าสงสัยว่าทําไมพบใจแล้วจึงไม่เป็นพันธิพานจะไม่พบใจพบธรรมถึงใจถึงพันธิพาลก็คือเนี่ยเขาพบใจแวบๆบแวบๆบแบบแบบคือใจที่ไม่ปรุงแต่งเมื่อเราฝึกไปจนต้อง ใจที่สิ้นความอยากความปรารถนาความหลงคิดปรุงแต่งไปเนี่ยมันค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงในใจเราใจก็มีความสงบร่มเย็นสงบร่มเย็นจากความปรุงแต่งมากขึ้นเรื่อยๆคือใจเนี่ยพอความปรุงแต่งมันน้อยลงความสุขความสงบมันก็เกิดมากขึ้นตามลําดับมันสวนทางกันคือความสุขความสงบเนี่ยมันหายไปก็เพราะว่าจิตใจมันมีความปรุงแต่งความปรารถนาความอยากมากเท่าไหร่ใจที่มีความสุขความสงบก็น้อยลงไปมากเท่านั้นแต่ความอยากความปรารถนามันน้อยลงไปเท่าไหร่ ใจก็มีความสุขความสงบมากเท่านั้นนั่นมันกระสวนทางกันแบบเนี้ตรงกันข้ามใจจะยิ่งมีความอยากความปรารถนามากความสุขความสงบก็น้อยลงหายหรือหายไปถ้าใจมีความอยากความปรารถนาน้อยลงไปเรื่อยๆความสุขความสงบก็เกิดมากขึ้นเรื่อยๆจนทั้งใจเนี่ยเกือบจะสิ้นความที่หล่นทยานอยากความปรุงแต่งได้ดเลยใจก็มีความสุขความสงบอย่างละเอียดที่สุดจนทั้งเนี่ยบางขนาจิตเนี่ย มันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้คิดจะปรุงแต่งดิ้นรนค้นหาอะไรไปในโลกไม่ได้ปรุงคิดปรุงแต่งดิ้นรนค้นหาอะไรไปในทางธรรมขณะจิตหนึ่งเนี่ยที่มันมันหยุดการปรุงแต่งไปจะอาจจะโดยเหตุบังเอิญหรือเหตุอะไรก็ตามที่ทําให้มันหยุดปรุงแต่งไปในขณะจิตนั้นเนี่ยมันจึงพบว่ามันจึงพบใจที่ไม่ปรุงแต่งแต่พบใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วบางท่านก็ไม่ได้อยู่กับมันตรงกันพบปุ๊บมันก็กลายไปปรุงแต่งไปดิ้นรนค้นหาใจที่ไม่ปรุงแต่งนั้นทันทีเลย ตอนเนี้ความปรุงแต่งมันก็เข้ามาเยือนอยากได้ใจที่ไม่ปรุงแต่งเลยกลายเป็นมาพบใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วกลายมายึดถือใจที่ไม่ปรุงแต่งอยากได้ใจที่ไม่ปรุงแต่งที่เคยพบเคยเห็นในขณาดจิตที่มันสิ้นปรุงแต่งโดยเหตุบังเอิญหรือเหตุอะไรก็ตามจากการปฏิบัติมานี่แน่จนความปรุงแต่งมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อลงจนกระทั่งขนาดจิตหนึ่งที่มันเผลอไปพยายามดูรู้เห็นจิตหรือพยายามไปเพ่งไปจ้องอะไรมันหมดสิ้นไป ทั้งไม่ปรุงแต่งอะไรในโลกทั้งไม่ปรุงแต่งอยากได้ในทางธรรมแล้วความเพง่งความจ้องความดิ้นรนค้นหาพยายามจะดูจิตรู้เห็นจิตละจิตปล่อยวางจิตมันหมดไปในขณะนั้นคือสรุปแล้วคือไม่หลงกับตัวเราไปปรุงแต่งและไม่หลงกับปรุงแต่งอาเป็นตัวเราไม่หลงกอบสังขารมาเป็นตัวเราไม่หลงกับตัวเราไปสังขารณขณะจิตนั้นจะด้วยเห็นบังเอิญขณะจิตนึ่งที่หยิบไปก้มหยิบอะไรเข้า <S <S <S ความสิ้นปรุงแต่งเกิดขึ้นในขณะนั้นเลยปุ๊บไปพบใจที่ไม่ปรุงแต่ง แต่พบใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วก็บางท่านก็ส่วนใหญ่ก็จะพยายามมายึดถือใจที่ไม่ปรุงแต่งที่เคยพบแล้วพอเสี้ยวนาทีเดียวที่มายึดถือใจที่ไม่ปรุงแต่งมันกลายเป็นความปรุงแต่งความอยากความปรารถนาเป็นกิเลสตัณหาเพิ่มเข้ามาเลยทันทีนั้นใจที่ไม่ปรุงแต่งมันก็หายไปเพราะกิเลสตัณหามาบังซะแล้วคือมีกิเลสตัณหาอยากให้เป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วจึงต้องมารู้เท่าทานอีกทีหนึง่ง มัศติปัญญาลุตตะานจริงคือความดับความอยากความปรต น, นาที่อยากจะได้ใจที่ไม่ปรุงแตง่งจนกระทั่งความอยากความปรถ น, นาที่อยากจะได้ใจที่ไม่ปรุงแตง่งถูกรู้ถูกเห็นถูกละปล่อยวางไปหมดสิใจก็เลยสงบจากความปรุงแตง่งโดยทาวรเรียวกว่าถึงใจแท้ถึตงตามมหาบัวญาณสัปปโนจึง กล่าวว่ามีพระองค์หนึ่งชื่อว่าหลวงปู่บัวสริปันโน ป, ป่านองแสงท่านสิ้นยึดถือขันห้าแล้วไม่มีกิเลสมาตั้งนานแต่ท่านยังยึดถือใจไว้ยึดถือใจรักษาใจพยายามรักษาใจไว้สุดชีวิตให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ว่างเปล่านั่นแหละอย่าเป็นอวิชชาอย่าเป็นอวิชชาตัวใหญ่ท่านว่าใจไม่ใช่ขันห้าขันห้าไม่ใช่ใจ ใจต่างหากจยากหันหน้าเมื่อสิ้ยึดถือขัน้าแล้วยังมันยึดถือใจจะอยากให้เป็นใจที่ว่างเปล่าอันนี้เป็นอวิชชาตัวใหญ่หลวงตามหาบัวท่านหลวงปู่ตามหาบัวญาตสัมปนโนท่านเลยไปไปชี้ไปจี้บอกหลวงปู่บัวสิริปันโนให้พิจารณาตรงนี้สิพอท่านพิจารณากติด จ, จดจอคือนั้นก็อวิชชาความลงยึดมั่นถือบ้านใจ ที่จะรักษาใจไว้ให้ว่างเปล่าให้จะอาบเปสุดก็ดับไปเสียงคานกุฏิดักหักหักดังโครมสนานวันไหวนั่นก็นึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเช้าช่างมาซ่อมก็ได้แต่พอเอาไฟฉายไปส่องดูอ้าวคานกุฏิไม่หักปรากฏว่าคานอวิชาในใจของท่านหักสดขาดสะบั้นระเบิดสนานวันไหวเหมือนกับคานกุฏิหักเกบลุภนิพาน นั่นแหะเรียกว่าถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งใจที่ไม่ปรุงแต่งน่ะเรียกว่าเป็นธรรมจึงเรียกว่าพบใจพบธรรมแต่ยังไม่ถึงใจนะยังไม่ถึงใจจริงเพราะว่าพบมันแว บ, บๆแล้วก็ไปหยากได้มันอแล้วที่ว่าปล่อยวางปัจจุบันธรรมก็คือลักษณะเดียวกันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวปล่อยวางในขณาปัจจุบั น, นเองปล่อยวางในขณะปัจจุบนับนเพื่ออ่านใจตัวเองว่า สิ้นความอยากสิ้ความปาร์ตนาจริงๆแล้วนต่ไม่ยึดอะไรเลยไม่ยึดท้งสังขารไม่ยึดท้งวิสังขารคือใจที่ไม่เปล่งเต็ม